เพราะว่าจิตของเราเป็นเป็นนายอย่างอาตมา ก, ก็สังเกตนะในช่วงที่มาทีนี่ไปติดหุ่มแพ้ความเย็นจัดทางโน้นมามากระทบร้อนก็เไอแต่ว่าอะไรก็ตามที่มาจะถึงยาถึงหมอเนี่ยต้องรักษาตัวเองให้เต็มที่ก่อนจะรักษาตัวเองให้เต็มที่ไม่ดีขึ้น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 การดูแลตัวเองไปดูแลคนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นแพทย์ปัจจุบัน mm. เขาก็เลี้ยงไข่เราแหละ mm. เขาก็อยากจะได้ลูกค้าใช่ไหม mm. เขาเลี้ยงไข่เราไว้ mm. ให้สมุยาที่เขาจะให้เราหายร0 0ยเซ็าให้สรยเรซไปเรื่อย mm. ๆเขาก็เลี้ยงเราไว้เป็นลูกค้าแต่เราก็ตกเป็นลูกค้าของหมอ